อิเมขพนายะสมัโตจตารโอปาติเทศนิยะธรรมาอุทเทสังอาคัชันติโยปนาภิกุอัญญาติกกายภิกุนียาอันตรรักรังพวิทยาหัตตะทวคัตนิยังวาโภชัญยังวาสหัตถปฏิกเหตวะคาทเยวาพุญเชยวาปฏิเทศตะพังเตนาภิกุณา อะไรหังเอาโซทมังอาปัจเชิงอัสปายังปาติเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติพิกุปเนวะกุเลสุนิมณิตาพุนชันเตตัตระเจพิกุณีโวสัสมาโนปาติตาโหติอิทัสุปังเททาอิทัโอทนังเททาติเตหิพิกุหิสาพิกุณีอปัสสะเทตภาอปสกะตาวะภคเินิยาวะพิกุพุนฉันเตติ เอกสบิเจภิกขุโนนปฏิภาสิยะตั้งภิกขณิงอภสาเทตุงอภสกะตาวะภะคขินียาวภิกขูพุญชันตีตีปฏิเทเสตพังเตหิภิกขูหิคาริหังอัโสธรรมังอปาญชิมหาอาสัยอย่างปาฏิเทสนิย่างตั้งปฏิเทเสมาตยญาณิขปนาตานิเสขสมตานิกุลานีโยปนาภิกขูตถาโรเปสุเศขสมเตสุกุเลโส อุเพอเนมันติโตอคิลาโนุข้าทนยังวาโภชเนยังวาสหัทธาปฏิเกเหตะวาข้าเทยวาปุญชยวาปฏิเทเซตะพังเตนาภิกุณาข้าไรฮั่งเอาโซธมังอาปัชิงอสปายังปาตฏิเทสนิยังตังปฏิเทเสมีเตญานิขปนาตานิอารันยกาณิเสนาสนานิสะสังกัตสมตานิสะปฏิภยานิ เยาวบนาภิกขตทาโรเปสุเสนาเสนโสวิหารนโตปุเพอปติสังเวริตังฆาทนิยังวาโภชนิยังวาอัชฌาราเมสหัธาปฏิกเหตวะอักิลาโนฆาทเยาวพุชัยวาปฏิเทเสตะพังเตนาภิกุนาคาไรหังเอาโสธรรมังอาปจิงอสปายังปิตเทศนิยังตังปฏิเทเสมิเต อ, อติอตตาาธาโคอายสมันตจัตตารโอปาติเทศนียธรรมะตถายสมนเตปุชฌามิกัจจิตธาปริสุทธาโตติยัมเปปุชฌามิกัจจิธาปริสุทธาตติยัมเปปุชฌามิกัจจิธาปริสุทธาปาริสุทธท ธ, ธาเยสมมันโตตัสมะตุนหีเอวเมตังธ า, า, า, า, าริยามิปาติเทศนียนิถิตา